และจึงไม่มีโสกาปริเทวะทุกโทมนต์อุปายาตในอนาคตชาติแต่โสกาปริเทวะนั้นไม่มีตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้แล้ววงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกหรือดับทุกขก็ดีจึงเป็นเรื่องของชีวิตที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้เองรอบทวนสมบูรณ์ไม่ต้องไปค้นหาในชาติก่อนหรือรอไปดูชาติหน้า นอกจากนั้นเมื่อเข้าใจวงจรที่เป็นไปอยู่ในชีวิตปัจจุบันดีแล้วก็ย่อมเข้าใจวงจรในอดีตและ ว, วงจรในอนาคตไปด้วยเพราะเป็นเรื่องอย่างเดียวกันนั่นเองในด้านพุทธพจน์ก็อาจอ้างพุทธดำรัสตต่อไปนี้เป็นตัวอย่างดูก่อนอุทายี ผู้ใดระลึกขันที่เคยอยู่มาก่อนได้ต่างๆมากมายผู้นั้นจึงควรถามปัญหากับเราในเรื่องหัหลังคือชาติก่อนหรือเราจึงควรถามปัญหาในเรื่องหัหลังกับผู้นั้นผู้นั้นจึงจะทําให้เราถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหัหลังหรือเราจึงจะทําให้ผู้นั้นถูกใจได้ด้วยการแก้ปัญหาในเรื่องหัวหลัง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 ด้วยการแก้ปัญหาเรื่องหนหน้าก็แลอุทายีเรื่องหนก่อนก็งดไว้เถิดเรื่องหนหน้าก็งดไว้เถิดรอจากแสดงธรรมแก่ท่านเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับในบ้านชื่อคันธพักนั่งลงณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความอุทัยและความอัสดงแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์ได้เถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแน่ท่านในบ้านถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแก่ทุกแก่ท่านโดยอ้างการส่วนอดีตว่าในอดีตตะการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้นก็จะมีแก่ท่านได้ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอสัสดงแห่งทุกแก่ท่านโดยอ้างการส่วนอนาคตว่าในอนาคตตะการ จกเป็นอย่างนี้ความสงสัยความเพลือแพลงก็จะมีแก่ท่านแม้ในข้อนั้นได้อีกก็แลท่านในบ้านเรานั่งอยู่ที่นี่แหละจะแสดงความเกิดขึ้นและความอัดงแห่งทุกแก่ท่านผู้นั่งอยู่ที่นี้เหมือนกันดูก่อนสิวะกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้น มีดีเป็นสมุดฐานก็มีมีเสมหะเป็นสมุดฐานก็มีมีลมเป็นสมุดฐานก็มีมีการประชุมแห่งเหตุเป็นสมุดฐานก็มีเกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุกก็มีเกิดจากบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทำร้ายก็มีเกิดจากผลกรรมก็มีข้อที่เวทนาเกิดขึ้นโดยมีสิ่งที่กล่าวมาแล้วเป็นสมุดฐาน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 เพื่อวางพื้นฐานความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบต่อไปสำหรับคำอธิบายปฏิจจสมุปบาททั้ง12ข้อนั้นท่านมีภาษาอังกฤษกากับทุกคำจะขออ่านเฉพาะภาษาไทยท่านที่สนใจในภาษาอังกฤษดูได้จากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายหน้า193 ค, ความหมายเชิงอธิบาย อวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันตามสภาวะหลงไปตามสมมุติบัญญัติความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเชื่อถือต่างๆภาวะขาดปัญญาความไม่เข้าใจเหตุผลการไม่ใช้ปัญญาหรือปัญญาไม่ทำงานในขณะนั้นๆ 2.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 ส่วนต่างๆของร่างกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต 5. สลายตนะภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ 6. ผัสสะ การเชื่อมต่อความรู้กับโลกภายนอกการรับรู้อารมณ์ต่างๆเจ็เวทนาความรู้สึกสุขสบายถูกใจหรือทุกข์ไม่สบายหรือเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ตัณหาความอยากทยานรานรน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 ที่แสดงออกเพื่อสนองตัญหาอุปาทานนั้นที่เรียกว่ากรรมภพและภาวะชีวิตที่ปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอุปติภพโดยสอดคล้องกับอุปาทานและกระบวนกรพฤติกรรมนั้นคำว่าอุปติภพนั้นเป็นสัพ์อพิธรรมในพระสูตรรุ่นหลังเรียกปฏิสนธิปุน่นภพ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 เป็นกระบวนพฤติกรรมของตน 12. ชะรามรณะความสานึกในความขาดพลาดหรือพลากแห่งตัวตนจากภาวะชีวิตอันนั้นความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้นสลายหรือพลดัพลดพรากจากภาวะชีวิตนั้นๆ หรือจากการได้มีได้เป็นอย่างนั้นๆจึงเกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนต์อุปายาตพ่วงมาด้วยคือรู้สึกขับแค้นขัดข้องขุ่นมัวแห้งใจอดหูซ่ซึมเศร้าไม่สมหวังกระวนกระวายและทุกขเวทนาต่างๆ